ก่อนเกิดเป็นดังตรินตอนเรื่องส่วนตัว เพราะเหตุคือผมพบว่าแฟนหนังสือมาแสดงความแปลกใจหรือชอบอุทธาน <c oughs>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 สำหรับผมขอเผยก่อนเลยที่อยากรู้ไปทุกอย่างผมณเวลาที่บรรทัดนี้หรือประโยคนี้ ฉะนั้นหากคุณกําลังฟังอยู่ใน โดยเฉพาะที่ชักชวนให้ดื่มด่ำ มิฉะนั้นอาจต่อมิติดกับคนส่วนๆ เอาล่ะท้ายนี้ผมมีความลับจะมา ผมรู้ได้อย่างจาก เนติยสาร 58 เสียง